ท่านพานระเทราชเทระเพื่อนสาธรรมิกทุกโลกขอจอริงพรท่านศาสต ร, ราจารย์ประวัติสักอุบลโนประธานกรรมการปฏิรูป ก, การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านคณะกรรมการท่านผู้สมรู้ที่และท่านผู้เข้าร่วมประชุมเสวน า, าทุกท่าน ในช่วงเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาจะมีแนวคิดที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่สองกลุ่มด้วยกันแล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะ ได้เข้าไปทําหลังสูตรได้เข้าไปเป็นกรรมาการขับเคลื่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีแนวความคิดว่าจะจัด ก, การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดีให้สมกับที่เป็น ประเทศไทยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนามองวิชาพระพุทธศาสนาเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องถ่ายทอดให้เด็กและก็จะมาให้ความสนใจกันว่าเด็กควรจะเรียนเรื่องอะไรถึงจะมีความรู้สมกับเป็นชาวพุทธในกลุ่มนี้ก็จาก ผลักดันให้ใส่ข้อเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องทุกประเด็นจนบางทีก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าหนักเกินไปสำหรับเด็กแต่ถ้าไม่ใส่กลุ่มนี้ก็จะวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าไม่เรียนพระพุทธศาสนา กลุ่มที่สองมุ่งเรื่องของภาคปฏิบัติให้เรียนพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมเรียนวิชาศาสนาให้เป็นคนดีและก็ถือคติว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีก็จะคิดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกลางขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยแล้วก็สอดแทรกให้การเรียนการสอนทุกวิชาเนี่ยมีส่วนในการเสริมสร้างลักษณะนิสนะัยนั้นจุดด้อยของแนวคิดที่สองก็คือขาดศรัทธาในพระศาสนาขาดหลักยึด เป็นคนดีก็ต้องเป็นคนดีตามกรอบแห่งาศาสนาที่ตนนับถือจึงจะมีแรงบันดาลใจจริยธรรมสากลไม่อาจแขวนลอยๆมันจะต้องมีฐานในที่สุดก็กลับมาสู่ฐานที่หนึ่งอีกก็เลยมีความคิดว่าทำไมเราไม่ผสมผสานทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน คือสนองวัตถุประสงค์ทั้งในเรื่องของถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเรื่องภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยไปพร้อมๆกันก็เลยเป็นแนวคิดที่สซึ่งมาเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยยึด ข้อแรกเรียนเรื่องอะไรก็ยึดหลักที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระอนุราชเรื่องคล้ายๆกับธรรมะกรรมือเดียวในเรื่องของธรรมะกรรมือเดียวเราก็ทราบกันว่าป่าท่านป่ามันมีใบไม้เยอะเมื่อพระหยิบขึ้นมากรรมมือหนึ่งสแสดงแก่พระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่า ธรรมะที่เรารู้ตัดสรู้เนี่ยมากมายมหาศาลประดุจดังใบไม้ในป่าทั้งป่าแต่ที่นำมาสอนเธอทั้งหลายน้อยนิดประดุจดังกำ ม, มือเดี่ยวเท่านั้นธรรมะกำมือเดี่ยวเท่านั้นเราไม่ได้สอนทั้งหมดที่เราตัดสรู้เราสอนเฉพาะที่ เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อใครกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังประเด็นคือสอนเฉพาะที่เป็นประโยชน์และควรจะรู้สําหรับเด็กแต่ละชั้นธรรมะกำมือเดียวของแต่ละกลุ่มเนี่ยตัวโตวก็อาจจะกำใหญ่หน่อยตัวเล็กกำเล็กเนี่ยคืออะไร ก็จะมีพุทธภาสิต ท, ที่ตรัสไว้กับท่านอนุราธาว่าอนุราถอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเราจะถาคตสอนอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สี่สิบห้าพรรษาพระเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวทุกข์ก็ไปหมายถึงสมุทัยด้วย ความดับทุกข์ก็หมายถึงนิโรธ ด, ด้วยเอ้ยเ น, นิโรธกับมรดุด้วยเมื่อพระสารีบุตรถูกถามโดยพระอศัศจิษพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสะปริภาชกถามพระอัศชิว่าอะไรคือแก่นคำสอนของศาสนาท่านเทศสันๆ ไม่ต้องเอวยาวๆพระอาศาชีบอกว่าอาจมาเป็นพระบทใหม่ในปัจจุบันตอนนั้นยังไม่ครบปีเลที่บทพระอาชาชิตอบอุปติสสะปริภาชกว่าเยธรรมาเหตุตปปะวาเตสังเหตุตงตถาคตเตสังจัยโยนิโรโทจัยเอวังวาทีมหาสมโนยังไม่แปลง ฟังเท่านี้อุปติสักปริภาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสงฆ์ดับบัเราเรียกคาถานี้ว่าคาถาเยธรรมมาขุณพบที่นคปรปฐมในสมัยทวาราวดีไม่สร้างพุทธรูปสร้างเป็นรูปธรรมจักรมีกวางหมอง แล้วก็มีคาถาเยธรรมมาประมาณพศพันสี่ร้อยถือว่านี่คือใจของพุทธศาสนาคาถาเยธรรมมาแปลว่าธรรมะเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสสอนเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้ถ้าเรามาปรับคําว่าธรรมะเราได้เกิดในเหตุธรรมะคือทุกข์เหตุคือสมุทยัยพระพุทธเจ้าตรัสสอนเหตุคือสมุทัยแห่งทุกข์เหล่านั้นและนิโรธความดับนี่คาถานี่มีสามข้อทุกข์สมุทัยนิโรธยังไม่ถึงมากพระสารีบุตรฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมจึงไปขอบวชแล้วต่อมาได้เป็น พระอระหันต์ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในทางปัญญาเหตุเพราะไม่มีใครเทศเรื่องอริยสัจสี่ได้ดีที่สุดในบรรดาภาษาวกนอกจากภาษาริบุตประมวลแล้วคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออริยสัจสี่ 45ปีไม่ว่าสอนเรื่องอะไรอยู่ประรวมลงอยู่ในอริยสัจสิทั้งสิ้นถ้าท่านอ่านหนังสือที่เรียกว่าเพชน้ําเอกในทางวรรณกรรมศาสนาร่วมสมัยของเราเล่มหนึ่งมีทั้งฉบับย่อและฉบับขยายความคือหนังสือพุทธธรรม หนังสือพุทธธรรมนั้นจะเปะ็นคนสำเร็จพระเจ้าโพสอาจารย์ปออปยุตโตนิพนธ์ไว้ถือว่าครอบคลุมคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถ้าท่านไปอ่านในภาคขนวกตอนท้ายเนี่ยผู้ประพันธ์บอกว่าแท้ที่จริงก็คือเรื่องอริยสัจสีฉฉบับยอ่าอกบอริยสัจสี พันหน้าขึ้นไปก็อริยสัจสีลายละเอียดเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมาในอริยสัจข้อนั้นข้อนี้ตอนนั้นขอนี้แต่ต้องรู้กรอบคืออริยสัจสีจึงทำให้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยกำมือเดียวเนี่ยจะ ก, กำใหญ่กำเล็กเนี่ยมันอยู่ในกรอบอริยสัจสี เช่นท่านตั้งชื่อบทว่าชีวิตคืออะไรอยู่ในอริสัตย์ข้อไหนชีวิตควรเป็นอย่างไรมันคืออริสัตย์ข้อไหนท่านอาจจะไม่ได้บอกแต่เรารู้โดยแนวคิดนี้ทั้งในเรื่องของธรรมะกรรมือเดียวทั้งในเรื่อง ที่ตรัดกับลุลราทะทั้งในแบบที่พระเถระท่านทำมันก็ออกมาเป็นผังมโนัรรมว่าควรจะเรียนอะไรที่ว่ากำมือเดียวกรอบใหญ่ของพระพุทธศาสนาไม่พ้นเรื่องเรื่องอะไรถ้ามีคนคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธ อะไรคือมาตรฐานที่บอกว่าเขาเป็นพุทธถ้าชาวต่างชาติต่างศาสนาอยากจะแสดงตัวเป็นพุทธมามกะเขาต้องทําอะไรคําตอบจะเป็นชาวพุทธหรือพุทธมามกะต้องมีศรัทธาในพระตัณฑ์ไตรเปล่งวาจาพ ว, วาพุทธทางสระนาคฉามิทำบางสระนาคฉามิสังขังสระนาคฉามิสามครั้ง แสดงตนเป็นพุทธมามากะแล้วแต่การเป็นพุทธมามกะที่ดีต้องมีศีลห้าเราจึงแถมศีลห้าให้อีกหลักของการเป็นชาวพุทธที่มีฐานที่มันคงคือมีศรัทธาในพระธรรมตรัยฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหลักกรอบใหญ่ในการเรียนการสนศาสนาก็คือตกล่างนี่ คือพระตนตรมสัจัยซึ่งประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธมีรายละเอียดตั้งแต่เรื่องอดีตตชาติของพระองค์กว่าจะตัดสรูก็มีชาดุมาในชาติปัจจุบันก็ที่ท่าสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือวันสาคัญพุทธประวัติการประกาศพระศาสนา หลังจากประกาศพระศาสนาและพุทธศาสนาไปทั่วโลกแล้วเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างไรสําคัญอย่างไรก็จะเป็นเรื่องของความสําคัญของพุทธศาสนาและเราจะปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาในฐานะที่มีความสําคัญเนี่ยในวันสําคัญอย่างไรมันก็จะเป็นวันสําคัญทางศาสนาในส่วนของพระธรรม ก็คือเรื่องหลักธรรมอริยสัจสีทั้งหมดนั่นแหละข้อไหนอย่างไรก็แล้วแต่ว่าฉันจะขยายเพิ่มเติมอะไรมันก็เป็นพ้นอริยสัจสีหลักธรรมที่เกี่ยวกับอริยสัจมีกี่ข้ออย่างไรพุทธศาสนาสุภาษิตคือถ้อยคําของพระพุทธเจ้าหรือพระเถระเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเป็นอย่างไร ที่บันทึกคําสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ควรจะรู้เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกคือออริจินอลต้นฉบับที่เอามาสอนกันไม่ได้ไปลอกมาจากไหนหรือแต่งเองก็ควรจะมีและจะอ่านพระไตรปิฎกก็ต้องมีรู้ความการรู้เรื่องศัพท์ทางศาสนาในฐานะที่เป็นชาวพุทธศัพท์ที่ใช้กับพระสมณโวหาร ภาคปฏิบัติคือการบริหารจิตเจริญปัญญาซึ่งอยู่ในอริยสัจสี่นั่นแหละมันก็รวมอยู่ในนั้นส่วนพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมมีใครบ้างที่เป็นอริยสงฆ์สาวกชาวพุทธตัวอย่างในปัจจุบันเขามีหน้าที่ปฏิบัติอย่างไรทั้งปฏิบัติต่อพระภิกษุหลวงศาสนพิธี แล้วก็สรุปเป็นสัมนาปัญหาในกลุ่มพระสงฆ์นี้มันก็มาเสริมเรื่องหลักธรรมนั่นแหละและ้วทีนี้เวลาทําหลักสูตรจริงก็ขยายไปท่านก็ไปดูกิ่งมันปัญหาในการทําหลักสูตรที่ผ่านมาก็คือเมื่อเป็นผังมโนทัศน์แล้วเนี่ยเอาไปทําเป็นแบบเปลี่ยนใบเปลี่ยนไม่สามารถจะขยายเป็นผังมโนทัศน์อย่างนี้ได้ ครูก็เลยไปสอนตามแบบเรียนคือสอนพุทธประวัติให้จบก่อนแล้วก็ไปสอนพระธรรมแล้วก็ไปสอนพระสงฆ์หารู้ไหมว่าเนื้อาหาเนี่ยมัน อ, าอ้างอิงถึงการบัญทีเรียนเรื่องเดียวกันเนี่ยจะเรียนเรื่องหลักธรรมเราก็เอาพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่เกี่ยวกับหลักธรรมนั้นมามาสอนได้เลยแล้วก็สามารถเอาพุทธประวัติหรือประวัติพุทธสาวกหรือชาพุทธตัวอย่างเนี่ย เอามาเสริมหลักธรรมที่เกี่ยวข้องได้ออกแล้วมันจะจำได้เพราะว่ามันจะเกิดแอสโซเชชันหลักความจำเนี่ยมันไม่ใช่เรียนเป็นเป็นจุดๆมันเรียนเป็นการเชื่อมโยงซึ่งการสอนมันจะมีสองแบบสอนข้อสนสอนแบบอนุปุพีคาถาอนุปุพิกถาเนี่ยเป็นการสอน ไปตามลำดับจากง่ายไปหายากพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนธรรมะแบบนี้ <c oughs> เริ่มจากง่ายไปหายากแม้ในภาคปฏิบัติจากคนที่ไม่มีพื้นความรู้เนี่ยเขาเค่อยปูพื้นใหม่เช่นสอนครั้งแรกแกยาสาวคุละบทสอนแบบอนุปวิกัาเนี่ย ญาสากุลบุตรไม่เคยรู้พระาสนาเลยเพราะองค์สอนแบบอนุภุพิกรถาเริ่มจากทานอะไรก็ว่าการมาสังทานภาวนาอะไรก็ไล่ไปจนเนกขมานิสังสงกถาแต่ถ้าคนที่มีความรู้เด็กมัธยมโดยเพราะมัธยมปลายการสอนแบบนั้นอาจจะไม่จาเป็น เพรา ะ, เข า, ร เ, ะเขาเรียนมาเยอะเขาพื้นฐานเยอเมื่อพระเจ้าเทศประถ ม, มเทศนาครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีซึ่งเป็นลือสีมีความรู้เรื่องธรรมะมาอย่างดีแต่ยังไม่บรรลุเพราะองค์ไม่ล่ายาวตั้งแต่เริ่มขอโทษอนุภิกถาสอนอยังไงรับดูสิทานบุญกยายวัตถุสาม ทานละใหม่ศสีละใหม่ภาวนาใหม่เอาทานขึ้นก่อนเพราะว่าทําง่ายที่สุดใส่บาตเนี่ยท่านใส่กันทุกคนง่ายๆแต่พอรักษาศียนี่ยากละครบบ้างเน่ครบบ้า ง, บบางยิ่งภาวนาให้นั่งกรรมฐานบางทีไม่เหลืออยู่ที่วันละตอนรักเศียรยังอยู่เยอะนะส่วนพรนั่งกรรมฐานไปหมดอ่ะท่านเรียกอย่างนี้ทานศีย ภาวนาพอมาเห็นอนุปพิกถาแต่ขอโทษแบบปฐมเทศนาท่านสอนแบบอริยสัจสี่เอาตัวปัญหาขึ้นทุกมาจากเหตุอะไรแล้วจะแก้อย่างไรมักไปสูป่เป้าหมายคือมิรรถสอนปัญจวัคคีย์ อย่าไปเข้าข้างส่วนตรงทั้งสองให้ทางสายกลางปฏิบัติไปอย่างนี้มันคือการนาเข้าสู่บทเรียนทำอย่างไรพวกเธอถึงจะเรียนเก่งใช้ธรรมะอะไรปัญหาในสังคมทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราเรารู้เราจะเราจะสอนเรื่องอะไรเช่นเรื่องกรรมเราก็เอาข่าวขึ้นมาเนี่ยทำไมคนถึงได้รับผลอย่างนั้นเพราะอะไรในสุดมันก็เรื่องกรรม เราอยากจะสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมน้ำท่วมทำไมเกิดภาวะอากาศร้อน เ, อเขาเรียกว่า climate change global warming warming มันก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทสิ่งต่างๆมันอาศัยกันและกันเสือพีเพราะ ป, ป่าปกป่ารบเพราะเสืออยางดินดีเพราะหญ้าบางหญ้าหยางเพราะดินดี การสอนอย่างนี้มันไม่ใช่สอนเนื้อหายอย่างเดียวว่าปฏิสังขปฎิสังขบานมีอะไรมากแต่มันเป็นการสอนแบบอริยสัจสีโดยเอาธรรมะที่เราจะสอนเนี่ยไปแก้ปัญหาอะไรมันเป็นมัง้งวัตถุประสงค์ในการสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีหลักการสอนที่ต่างจากวิชาอื่นๆประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างไร สอนต่างจากวิชาอื่นตรงไหนก็ตรงที่เวลาท่านสอนท่านต้องให้ได้สี่สอบได้สอบเดียวก็อาจจะไม่ต่างจากสอนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือสอนคณิตศาสตร์คือสันทัศน์สอนให้แจ่มแจ้งสอบไล่ได้ตอบตาำนั้นก็พอแล้วแต่ ต้องสอนไปถึงข้อ2อให้สมาธปนาสมาทานรับเป็นโลกธานุเชื่อสธาเป็นกรอบความคิดเป็นค่านิยมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเ้าเรียกสมาทานสมาธปนาให้สมาทานคือรับไปและบางทีสอนไปแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับพระนะมันถึงจะทำได้ คารวาทำไม่ได้ไอ้ที่ทันเทศมาฉันรู้ทั้งหมดแต่ฉันอดไม่ได้มันจึงต้องมีข้อที่สามเขาเรีสมุติตชนะสอนให้เชื่อว่าทำได้แกล้าไม่ใช่เรือกอย่างและสุดท้ายสัมปะหัศาสนาเรียนพี่ชาวสนาไม่เบื่อไม่คลึกไม่เฉยไม่ล้าสมัยและสนุก พระพุทธเจ้าเทศแต่ละครั้งเนี่ยจะได้สี่สอการสอนพระพุทธศาสนาต้องให้ได้สี่สอและจะให้ได้สี่สอเนี่ยมันจึงเป็นภาระหนักที่ ท, าท้าทายเรื่องแรกก็คือคำว่าเจ็บแจ้งคำว่าสอนเจ็บแจ้งหมายถึงสอนเหมาะสมแก่อัธยาศัยของผู้ฟัง ตามวุฒิภาวะและวัตถิภาวะของผู้เรียนและของบริบทของผู้เรียนะหนึ่งควรจะเรียนแค่ไหนปอสองจนกระทั่งมัธยมต้นมัธยมปลายการสอนให้ยักย้ายถ่ายเทเหมาะกับอาธยาศัยของผู้ฟังโดยปริยายคือวิธีที่เหมาะสมได้สอแรกท่านพระพุทธเจ้าสอน พระเจ้าภระเสริฐในคน ส, นสอนอย่างหนึง่งสอนชาวนาภาษีพารัตวาชะสอนอย่างหนึง่งใช้ภาษากลรยัการสอนให้เหมาะให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะสภาพบริบทในสังคมเนี่ยแต่ละยุเรียกว่าสันทัศนาสอนเด็กในสมัยพระเจ้าสอนอย่างหนึง่งสอนเด็กเยาวชนในยุคปัจจุบัน สอนอเด็กเด็กในยุคปัจจุบันเราเรียกว่าเจเนเรชันซีเจนซีหรือเจนแมันเป็นยังไงบางคนเรียกว่าไอเจนก็คือยุคอินฟอร์มชันเขานับเจเนเรชัน Y X Y แล้วก็แซ่นีนี่คือในช่วงคศสองพันและก่อนนั้นหน่อยสักสิบยี่สิบปี หลังจากคศ2000มาสัก5ปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยมัน Gen 4หรือ iGen iGeneration เป็นยุคเด็กรุ่น Gen 4ต่างจากยุคพวก X พวกที่นั่งอยู่นี่สอนคนลแบบยุคนั้นยุคก่อนเราอาจจะช็อก and ท้อกได้นะนี่ยุค X นี่ต้องขึ้นจอแน่ พระเทศมันจะมานั่งเปิดคำพีอยู่ไม่ได้นะพระพรหมบัณฑิตลังพูดในให้กับพวกเจน X อเจนถ้าเจนแมันมีแท็บเล็ตคนละตัวนั่งกันอยู่มันไม่ต้องมาดูจอแล้วมันคืออะไรเด็กที่เกิดมาในช่วงเนี้ยหลังคอสองพันเนี่ยไม่ต้องไปดูลคออร ล, ออ 2, ล, ลูกหลานท่านอ่ะ อาตอมาก็เห็นเด็กพอ อ, อเด็กที่ไปไปที่วัดยพ่อแม่ไปหาพระเนี่ยเด็กมันมันไม่สนนะมันอยู่กับไอ้ไอ้เครื่องโทรศัพท์อะไรมันกดอยู่เนี้ยได้ทั้งวันอ่ะไม่สนนะโทรไปหาเจ้าหนะ้าที่มหาเจร า, าไม่เครรับหรอกบอกทําไมลูกแย่งโทรศัพท์ไปหมดมันไปเล่นอะไรก็มันมันอยู่หน้าสกรีนหมดเลยเด็กทุกวันเนี่ย แล้วถ้าครูมาสอนนักเรียนโดยไม่มีสกรีนเนี่ยมันขัดกับวิถีชีวิตของเด็ก่ะ <c oughs> ให้อ่านหนังสือเป็นเล่มๆตัมอ่านอ e ีบุ๊กเซิร์ชพานกเกิลเด็กจะทำอะไรได้ดีกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นในต่างประเทศที่เขามันเป็นยุค informtion เนี่ยเขาทำอย่างนี้หมด และบังเอิญว่าอย่างประเทศจีนไอตัวเทคโนโลยีเขาผลิตเองเขาราคาถูกแต่แ ร, แรกเราก็บอกว่าโอ้เ oh, ม็ดอินชไนไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าเขาขายทีเขาได้ทุนไปพัฒนาเขาทำโทรศัพท์ทำจอทำอะไรต่างถูกหมดอัธตราไปดูมหาวิทยาลัยที่คนไทยไปเปิดที่นังกิงทั้งมหาวิทยาลัยไม่ใช้เงินเลยใช้แทมมหมดเลย ตั้งแต่ร้านอาหารซื้อของอาลีบาบาเอาของมาส่งมันเป็นวิถีชีวิตเขาทำได้เพราะอะไรเพราะของมันถูกทุกคนเข้าถึงหมดผลิตเองขายเองพัฒนาเองประเทศไทยเรามันหัวมักงกรเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่มีแล้วออกแบบหลักสูตรยังไงการเรียนการสอนยังไงในเมื่อคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งหน้าจอ ไอ้ที่พูดเจนซีเนี่ยมันหมายถึงใ น, นอเมริกาในยุโรปแต่ประเทศไทยมันมันมีสังคมเมืองสังคมชนบทมันหลากหลายท่านเราจะทำยังไงเอาเป็นว่าที่พูดว่าเด็กเยาวชนในรุ่นนี้ยุคนี้ในส่วนกลางเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และมันอยู่ในกระแสโลกแต่เราไปวิ่งตามกลุ่มหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ทำอะไรเรียนยังไง เอาแท็บเล็ตไปแจกมันได้กี่กลุ่มเรื่องที่สอง <c oughs> เด็กในยุคใหม่เขาต้องการสุขทันใจได้ทันทีเขาเรียกว่า instant gratification เหมือนกาแฟอ Instant นสแตนกาแฟชงได้เลยอยากรู้อะไรเขาก็กดได้หมดแม้กระทั่งวิชามรินาถามอะไรตอบได้หมด และในชีวิตเขาออกไปข้างนอกอาหารจานด่วนก็มีสั่งในรถก็ได้อะไรก็ได้ทั้งสื่อข้อมูลข่าวสารทั้งวิถีชีวิตเงินสดทันใจทุกอย่างเนี่ยในตอไปนี้มันจะไปอยู่ในเรื่องของสุขจันจัดสุขทันใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นพระที่หมายถึงพระเครื่องอะไรต่างเนี่ยที่ตอบวัตถุประสงค์นี้ไม่ได้เนี่ย สู้เทพทันใจของพม่าไม่ได้ฮห่ก hey ัน er, ไปอยู่รู้แหละคนพม่าปร ะ, ะงงทำไมเพราะมันมีคำว่าทันใจเดี๋ยวนี้วันมิเนตเมเนเจอร์ผู้บริหารหนึ่งนาทีต่อไปก็ญี่ปุ่นก็มีแล้วใช่ไหมของเซนเนตัดสรุฉับพลันเมืองไทยทำไมจะไม่มี มันก็มีมาวัดไหนที่สอนตัสรู้ฉับพลันจะเรียกว่าเป็นอะไรก็าตามเขาไม่เรียกตัสรู้ฉับพลันแต่เขาเรียกอีกแบบหนึ่งคนก็นิยมอม่ะกระแสนในยุคนี้แม้กระทั่งเราจะสร้างเนื้อหาพุทธานาเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆ ห, หรือว่าท่านจะทำมาเป็นอะไรนะมเมสเซจเล็กๆสำหรับส่งในไลน์ลกันก็ได้ เพราะเดี๋ยวนี้มันต้องการ instant message ยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะปรับการเรียนการสอนอย่างไรให้มันเหมาะที่ตามอัธยาศัยของเด็กเน่ยเมื่ออัธยาศัยของเด็กเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องนึกถึงก็คือการผลิตสื่อสำหรับเด็กเนี่ยเด็กยุคนี้เป็นรูปแบบประมาณนีกา อะไรอะไรก็มันอยู่หน้าจอหมดท่านไปดูหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กอเมริกาสิท่านแต่มาเห็นมาเป็นสิบยี่สิบปีมันจะทำเป็นกรา ฟ, ฟิกหมดเลยถังมโนท่านนี่จิ๊บจอยสำหรับเขาเด็กเรียนทฤษฎีของไอสไต์เนี่ยพูดเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เข้าใจหรอกท่านแต่พอมาเป็นแอนิเมชันขึ้นมา E เท่ากับ mc ยกกำลังสองของของไอ y l สไตน์ le, เนี่ยมันง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นพวกวิทยาศาตในโลกตะวันตกเนี่ยมันมันมีสื่อที่มันเป็นรูปแบบประมาณนกาก็คือสอนคนที่ใช้สายตาเห็นภาพเข้าใจอะไรเป็นภาพเมสเซจเนี่ยมันเหมาะมากเลยแล้วเด็กจะเรียนเร็วเขาลงทุน ครั้งเดียวขายได้ทั่วโลกท่านทาสื่อการสอนเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบไหนก็ตามทําอย่างเดียวแผ่นเดียวจะก่อเป็นซีดีเนี่ยนะขายไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษมันคุ้มคนมันเป็นพันล้านแต่พอเรามาผลิตสืบเป็นภาษาไทยเนี่ยลงทุนแพงเนี่ยนะท่านถ้าเรารัก ผลเงินหาทุนมาได้ก็ดีแหละแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเพื่อขายเนี่ยมันไม่คุม้มมันไม่มีแรงจูงใจที่จะทำสื่อดีๆแพงๆไม่เหมือนในโลกภาษาอังกฤษจึงไม่แปลกที่เด็กในโลกภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียนได้ดีกว่าเราไม่ได้ไปยกย่องเขาหรอกเพราะทุนในการผลิตสื่อเขาดีกว่าผลิตที่อเมริกาเอามาใช้สิงคโปร์ได้ ตราบใดที่เรายังไม่สามารถจะให้เด็กเนี่ยเข้าไปใช้สื่อเหล่านั้นได้เนี่ยเราต้องทําแบบเกาหลีญี่ปุ่นและต้องมีทุนถ้าท่านไปเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยลองไปแวะนี่แผงหนังสือในสนามบินก็นนะพอไปแวะปุ๊บเนี่ยนะท่านจะเห็นเลยหนังสือที่ล่าสุดของฝรั่งที่ออกมาแต่ละเล่มเนี่ยนะมันวางขายเลยนะตามสนามบินเน่ยของญี่ปุ่นของเกาหลี เปิดเข้าไปเนื้อเป็นญี่ปุ่นไป่เกาหลีหมดเลยปกนี่มันใช้เปเป็นภาษาติดออกมามีภาษาเกาหลีอยู่ด้วยเขาแปลทันทีท่านไม่รู้จะขยันแปลกันไปถึงไหนเพราะฉะนั้นภาษาไม่เก่งเขาแปลและลงคุณมหาศาลสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาได้บริโภคหมดประเทศเราแปลมาทีก็ดังเลยนะเพราะคนแปลดัง แต่ของเขากลจำก็ไม่ได้ว่าใครแปลเลยเพราะเยอะมากตอนที่โอบามาพูดภาษาอังกฤษสปีชไม่ใหม่ไปญี่ปุ่นมีหมดทั้งแปลเป็นญี่ปุ่นทั้งต้นฉบับเสียงทั้งอะไรต่างเรีย น, เ ร, ยนเรียนภาษาอังกฤษจากสเปชของโอบามาอย่างนี้เป็นต้นยังนี่คือในพับลิกยังไม่รวมไปถึงในระดับโรงเรียนฉะนั้น ในเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะให้มันน่าเสียดายว่าบางทีรู้ภาษาอังกฤษก็ไม่เข้าไปหาองความรู้ในภาษาอังกฤษนี่ก็อีกแบบหนึ่งเพราะมันมีมหาศาลยังมีประการคือภาษาอีกแล้วทุนในการผลิตสือ่อถ้ากระทรวงไม่ลงทุนใครจะทาให้เด็กไทยได้เรียนและจะต้องเป็น ลับหลับเด็กยุนี้ก็คือเด็กหน้าจอสังคมกล่มหน้าอะไรก็ตามมันเขาสามารถจะเข้าถึงหลุมในวิชาพุทธศนาพูดประวัติอะไรก็ว่ากันไปอธิมาเรียกว่าสาริกาป้อนเหยื่อเวลานกมันป้อนสาริกามันป้อนให้เด็กเนี่ยให้ลูกมันมันจะดูปากลูกนกปากเล็กมันก็ให้หาแค่นี้ปากใหญ่แค่นี้แค่นี้ฉะนั้นการสอน ที่ว่าเนี่ยกรอบมันมีแค่นี้ใหญ่แค่นี้แต่เนื้อเรื่องที่จะสอนเด็กอย่างเช่นหลักธรรมในชั้นประถมเนี่ยที่เหมาะกับเด็กคืออะไรที่ต้องเรียนก่อนถ้าท่านเป็นสังเกตในลสุดเรื่องกระตันยูรู้คุณกระตับเวทีตอบแทนคุณเด็กต้องรักพ่อแม่รักคุณครูรวมไปถึงรักประเทศชาติแล้วถ้ารักพ่อแม่เนี่ยกระตันยูเนี่ยดูชาพุทธตัวอย่าง ในหลวงราชการที่เก้ากับเด็จย่าเป็นยังไงมันก็อยู่ตรงนั้นแหละประวัติพุทธสาวกภาษารีบ ท, ที่กตัญยุต่อมานดาเป็นยังไงเหล่านี้เป็นต้นหน้าที่ชาวพุทธเป็นอย่างไรคําสอนนิมิตตังสาสูรปานางกตัญยูกตวเวทิตาความกตัญยุกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพุทธภาสิทธก็ามาอันนี้ก็คือตัวอย่างของว่า ป้อนให้เหมาะกับปากของเด็กเป็นอย่างไรถ้าเขาไปปรับไปดูต่อพุทธธรรมที่ว่าเนี่ยมันก็คืออริยสัจสี่นี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคชีวิตเป็นอย่างไรขันห้าอายตนะท่านจะเรียนแต่ขันห้าก็พอหรือจะเอาแบบพิธามจิตเจตสิกจิตเท่าไรเจตสิกเท่าไ ร, าไรลึกขึ้นไปอีกก็เรื่องชีวิตนั่นแหละแล้วมันมี สมุทัยคือเหตุอะไรก็มีตัณหาตัณหาสามมีโลภะโทสะโมกขกิเลสสมุนขยายเป็นอุปกิเลสจะเรียนมากเรียนน้อยก็อยู่มันก็อยู่สมุทัยนั่นแหละนิโรธคือความสุขสามมิตรสุขสุขอิงอามิสนิรามิต ส, สุขสุขเป็นอิงอามิการบรรลุธรรมฌานาสุขมันก็จะอยู่อยู่ตรงนี้สุขของพระอรหาัสี่อย่าง สุขจากการมีทรัพย์สุขจาการจ่ายทรัพย์บริโภคเศรษฐกิจพอเพียงก็อยู่ตรงนี้แหละตัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากสามหลักสมมุติถ้าเราสอบแบบริษัทสพอเพียงคือพอดีไม่สุดโตกมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางพอเหมาะมัตตันยุตตายืนอยู่บกขาตัวเองเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาตั้งยุตารู้จักประมาณพอใจพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้หรือมีความสุขก็สุขของขาากระ้ักสี่อย่างสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใจทรัพย์บริโภคก็สุขสุขจากการไม่เป็นหนี้สินและสุขจากการงานไม่มีโทษไม่ค้า ย, ยาบ้านอะไรจากมันก็พอเพียงอย่างหนึ่งเราจะเอาพอเพียงไปตัวตั้งแล้วก็สอนสุขสี่ก็ได้หรือจะสอนเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่ มันก็อยู่ในกรอบพุทธธรรมคำว่าเมื่อกี้พูดถึงแจ่แจ้งข้อที่สองจุ่งใจสอนพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงแต่ให้เป็นองค์ความรู้แต่ต้องให้เกิดโน้มใจไปในทางนั้นอาจจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างก็คือต้องบอกปฏิบัตาคือวิธีปฏิบัติด้วย เราพูดถึงบริหารจิตเจริญปัญญาทำอย่างไรเรียกว่าบริหารจิตเจริญปัญญาให้เหมาะกับเด็กบอกขัน้นบอกตอนบอกวิธีตัวสติคืออะไรจริงๆในชีิตจหวันสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรจูงใจให้เกิดการปฏิบัติซึ่งจะอยู่ตัวสุดท้ายบริหารจิตเจริญปัญญาในบริหารจิตเจริญปัญญามันจะมีสองเรื่อง คือบริหารจิตด้วยสติสมาธิที่จิตเป็นคำรวมคือบริหารจิตให้เกิดคุณธรรมที่พึงประสงค์ที่เราจะอยากจะปลูกฝังให้ เ, เด็กอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเรียกบริหารจิตส่วนเจริญปัญญานั้นสอนวิธีคิดเด็กไทยเอาแต่จำไม่คิด <c oughs> ทำอย่างไรถึงจะสอนเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์ analytic thinking หรือ analytical thinking คิดวิเคราะห์ทำไงถึงจะทำให้เด็กรู้จัก positive thinking คิดในทางบวกซึ่งมันเป็นครั้งหนึ่งเลยบอกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นคิดเป็นทำอย่างไรที่ว่าคิดเราก็จะต้องบอก how to ขั้นตอนในการคิดเป็นเนะี่ยทำอย่างไงแต่ไม่ต้องการให้เรียกชื่อแบบฝรัง่ง เพราะมันเป็นวิชาปัินาเราก็เลยใช้คํารวมว่าโยนิโสมนัสิการซึ่งโยนิโสมนัสิการเนี่ยจะเปะ็นคนสําเด็จปออไปยุตโตท่านคิดไว้เป็นแบบเยอะเป็นสิบแปดเก้าแบบท่านก็เลือกมาที่ว่าโยนิโสมแปลว่าถูกต้องแงยบขายมนณสิการแปลว่าคิดเนี่ยจะคิดแบบแก้ปัญหาแบบวิยาศาสตร์คิดยังไงหาตัวอย่างวิธีคิด่ะ คิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในชีวิตจริงบริโภคไม่ใช่เพราะแบรนด์เนมแต่เพราะประโยชน์ใช้สอยคุณค่าแท้เนี่ยเอาให้เด็กเอามาใช้ในชีวิตจริงแค่นั้คิดแบบูในปัจจุบันนะมันก็เป็นโยนิสมบนศิการอย่างหนึ่งซึ่งในอเมริกาเนี่ยบางสเตทนะประกาศว่าโรงเรียนในรัฐนี้เป็นมายฟูลสคูลสอนเรื่องสติให้กับเด็กทุกคน กระทรวงศึกษาในในรัฐนั้น a p p ม o v e มี Expert นิตยสารนิติสารระดับแนวหน้าอเมริกาไปสัมภาษณ์เด็กเรียนแล้วได้อะไรเด็กก็บอกว่าเรียนแล้วเนี่ยทำให้คบเพื่อนดีขึ้นทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเขาจึงตื่นตัวในเรื่องนี้เพราะคำว่า Emotional Intelligence ความฉลาดในอารมณ์เราสอนเด็ก i อคิในเยอะเกินแต่อ q พัฒนายอย่างไร e m ม t i o n ั l น n t e l l i g e n c e เนี่ยมันมากับยุคสมัยเพราะเมื่อกี้เรียกว่าเจน C เนี่ยนะหรือยุคไอยุคไอเจนเนี่ยมันเป็นยุคที่สุขจัดสุขทันใจได้ทันทีใจร้อนมาก เราจะเห็นว่าผลผลิตจากไอเจนเหมือนเอ่อเหมือนเจนไอไออินเชันาตีทให้สังคมใท่ใจร้อนหมดขับรถปากหน้ากระข้า <c oughs> กันผิดหวังก็ยิงกันอยากรวยเร็วกับค้ายาบ้าซื้อหวยมันเป็นผลจากสุขทันใจได้ทันทีที่ฝึกกันมาเราลืมพาสิว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ช้าๆได้พ ร, เราเล่มหนาเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะต้องปลูกฝังคือขันติทนรอได้ทนลาบากทนตรากตามงทนเจ็บใจเพื่อบรรลุสิ่งที่เราหวังซึ่งตรงนี้มันขัดกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่สุกจันันใจได้ทันทีอาหารจัดดวนคนก็ทนรอกันไม่ได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่รู้จัก เวลาที่เขาทำาิม t ชชั่นัลอินเทลเลเจเขาทำอะไรเขาทดลองให้เด็กอนุบาลเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแอบมองทางกระจกได้คุณครูร่วมกับผู้ทำวิจัยเอาช็อกโกแลตไปแจกเด็กตัวเล็กๆแต่ละคนแล้วก็บอกเด็กว่าอย่าเพิ่งกินนะรอให้ครูกลับมาก่อน แล้วครูก็ไปแอบดูบกับผู้วิจัยทางกระจกที่มองได้นานเดียวว่าเด็กเป็นยังไงอุย้ยคุณครูไปนานจังบางคนรอไม่ไหวหยิบช็อกโกแลตมาปอกกินเฉยใส่ปากบางคนหยิบมาครูบอกให้รอก็วางบางคนนั่งเฉยรอจนคุณครูกลับเขาก็จดว่าเด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างนี้ชื่ออะไร แล้วตามดูชีวิตของเด็กสามสิบสี่สิบปีปรากฏว่าเด็กที่มีเซลล์ control, ควบคุมตัวเองได้ประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่มีเซลล์ควบคุมการแต่งงานชีวิตครอบครัวเด็กที่มีเซลล์ควบคุมมีการควบคุมตัวเองดีชีวิตครอบครัวไม่แตกแยกคนเด็กที่มีการควบคุมตัวเองดีไม่ทะเลาะกับเจ้าไหน กับเพื่อนร่วมงานทำงานปรับตัวได้และยังมีความสุขมากกว่าเพราะฉลาดในการควบคุมอารมณ์ตัวเองมันจึงเกิด EQ ขึ้นมา Emotional Intelligence โดยกำหนดเป็น4ค่ขัในการบริหารจิตใจริะปัญญาเพื่อเพื่อเกิด EQ หนึ่งให้มี self awareness ตระหนักรู้ว่าตอนนี้ฉันอารมณ์เป็นอย่างไร กลุมเครียดหรืออารมณ์ดีเรียกว่าเซลล์ awareness ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะคุมอย่างไรเรียกว่าเซลล์ control นี่ข้อที่สองหรือเซลล์ management ก็ะดับถ้าอารมณ์อารมณ์โกรธจะมี a n g e management ให้หายโกรธทำอย่างไรนี่สองข้อแรกข้อที่สามการตระหนักรู้อารมณ์ของคนอื่นฉลาดในอารมณ์ของคนอื่น อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับคุณครูอยู่กับเพื่อนเนี่ยตอนนี้เพื่อนอารมณ์ดีอารมณ์เสียให้รู้เพราะมันจะได้ปรับตัวได้อันที่สอง management o t h e management คุมกากับจัดการอารมณ์ของคนอื่นด้วยถ้าใจร้อนมาขิงก็ราคาก็แรงมันพันฉันควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับสถานการณ์แห่งอารมณ์ของคนอื่นมันสี่ข้อข้อหนึ่งการรู้อารมณ์ตัวเอง การจัดการอารมณ์ของตนเองสาการรู้ร อ, อารมณ์คนอื่นจัดการอารมณ์คนอื่นคนที่เป็นผู้นําคือคนที่สามารถจัดการกับความรู้สึกอารมณ์ของคนอื่นมันก็เป็นผู้นําสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สอนอยู่ในเรื่องไหนนอกจากบริหารจิตเจริญปัญญาแต่เรายังไปไม่ถึง Emotional Intelligence ปดเปรี้ยวไว้กินหวานดัก่างมาเพราะอยู่ในเจนซีเนี่ยมัน่วนมันใจร้อนมากเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยรอไม่เป็นทำยังไงถึงจะนึกถึงเรื่องมหาชนกอะ่ะที่ในหลวงสอนแล้วสอนอีกอกับราชการที่เก้าอ่ะไหวน้เจ็วันเะจ็ดคืนน่ะมันคืออะไรอะ่ะมือคืออดทนมันคือวิริยะอยากให้คนไทยเป็นอย่างนั้นในยุคนี้ วายเมเถวพุทธภาสิตธ์วายเมเถวปุริโสยาวาทศนิพธาเกิดเป็นคนต้องพยายามรับไปจนบลายจะได้สิ่งที่ปรารถนานินพพานอโสภิโนอัฏฐะขันตยาพีโยนวิจติสิ่งที่ปรารถนาสําเร็จแล้วงดงามเมื่อทําสําเร็จเพื่อความสําเร็จไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไป็นขวางควา ม, วามอดทนมหาชนก็เรื่องอดทนนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเมื่อเราบอกว่าแจ้งแจ้งสอนได้ถูกอัปเดียสายเนื้อหาปรับให้อยู่ในกรอบเนยแต่เหมาะกับวุฒิภาวะเหมาะกับเจเน r เรชันแล้วเราก็มีกระบวนการสอนที่มีภาพมีเสียงมีอะไรปรับบริหารจิตจิตัญญาให้มันจูงใจให้เกิดศรัทธาเป้าค่้าคืออะไรท่านทำให้อ่านฐานในการปฏิบัติ คือทำไม่ยากไอ้ที่ว่าธรรมะมันยากเนี่ยแล้วมันแหมให้ให้เลิอกกับไบยามุกล้วททำอย่างไรข้อที่สองทำอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้บอกเรามักจะสอนว่าดีอย่างไรแต่ทำอย่างไรทึงจะไปเลิอกกับบบยามุกเลิกการพนันและกระทั่งเลิกบุรีทำอย่างไรและที่สำคัญมีตัวแบบไหมที่เป็นตัวอย่างว่าทำไม่ยากอะเรื่องทำไม่ยาก ซึ่งในข้อนี้เนี่ยในในผังมโนทัศน์มันจะมีสมมติว่ถ้าเราจะหลักธรรมอะไรก็ตามสามารถเมื่อกี้ได้พูดแล้วเรื่องว่าสมาธิปนาจงใจให้ปฏิบัติเนี่ยถ้าจะเห็นว่าในข้อสองก่อนนะถ้าเราพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราจะบอกว่าชาวพุทธตัวอย่างเขาทําอย่างไรนี่ How ทูเนีประวัติสาวกก็ตามประวัติพุทธเจ้า ก, ก็ตามหน้าที่ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งสารสนพิธี ท่านสามารถสอนให้ไปร่วมกิจกรรมของวัดได้ในวันเดียวโดยาศาสนพิธีในเด็กโตเนี่ยตั้งแต่สมาทานศีลอาราธนาพระปริตอะไรก็ว่าไปเวียนเทียนสวดมนต์หลักปฏิบัติมันเป็นวิถีชีวิตอะอาตมาบอกว่าในวัดเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์การสอนธรรมะครบทุกอย่างทำไมไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโบนตมาเคยถูกในระเบิดลงน่ หลัางขาเปิดลบภาพฝาผนังไปสามด้านหรือเดียด้านเดียวเสียดายมากอยากเอามาเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะเข้าไปในโบสถ์ท่านเห็นจิจกัรมฝาผนังตอนนี้แตมาได้อุปถัมภ์จากสำนักทรัพย์สินทุนมหากษัตริย์กรมศิลปกรว่าตับมาแล้วชาดกสองด้านด้านหลังพระประธานเป็นพุทธบวัชทั่วไปด้านหน้านี่เป็นภาพพระจนหมาดมีแม่ธรณีมีบมวยผมที่ทถนนทั่วไปเพราะอะไร เพราะพระประธานในโบสถ์เป็นพระมารวิชัยนั่งขัดสมาธิมือซ้ายวางเขาป็นตักมือขวาวางไว้บนเข่าขวาถ้าเด็กมากถาบพระบอกเธอรู้ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงพระถึงนั่งอย่างนี้โป่ดดูภาพแม่ธรณีบีบเมผมในด้านหนึ่งมานยกทัพมาอีกด้านหนึ่งมานจมนะอะไรในที่เราเห็นภาพทั่วไปเนี่ยพาหุง้งอันแรกภาวุงสหัสและเราก็สอนสิ นี่พุทธประวัติตอนนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วพระพุทธเจา้าตรัสรู้อย่างนี้นะตามพระขอพรให้ชนะมารมานคืออะไรก็สอนดิอุปกรณ์การสอนแม้กระทั่งพระเวสสันดนดรมหาชนกมันอยู่ในโบสถ์นี่แหละตอนนี้จะมาว่าเกือบเสร็จแล้วคิดถึงเยาวาชนมาร่วมปีปีหนึ่งมาไม่กี่รุ่นไม่รู้กี่รุ่นเลยนะเข้าโบสถ์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนในการเรียนวิชาพุทธศาสนาเลย ถ้าจัดกิจกรรมดีๆเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอินเทอร์น็ตเรเฟเรนซ์อ้างอิงถึงกันอยากจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยมันท่านไม่ต้องไปให้มันเสียเวลาเรียนเขาเรียกว่าเป็นแยกย่อยหรอมันเชื่อมกันได้หมดเรื่องนี้เนี่ยพยายามาให้มาดูผังมโนทัศน์แล้วก็พยายามวางแผนให้มันเชื่อมกันเนี่ยโดยต้องอบรมครูที่จะสอน เพราะว่าอาตมาทำได้แค่แต่ง ต, ตาราตามแบบแบบแบบเรียนนย่แต่อบรมคูเนี่ยเราไม่มีงบประมาณก็จบไปมันก็เลยสอนไปตามแบบเรียนก็คืออนุบุพิกระถาเด็กโตไม่ได้เรียนแบบอริยสัจ ส, สีเลยแล้วมันก็ท่องจำมันไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตซึ่งวัดเนี่ยมีซื่ออุปกรณ์อย่างดีโบราณท่านทำไปแล้วทุกอย่างเพียงแต่รวบมือกัน ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าทำไมทำไมเนี่ยมันจึงจะต้องมีชาพุทธตัวอย่างมีงต้องมีอะไรย่างเพราะว่ามันทาให้เกิดสมุติชนาแก้กาและไม่จะเป็นจะต้องเอาคนแนวตรงข้นติเป็นแบบอย่างเอาเด็กเด็กเนี่ยเขาจะดูเด็กด้วยกันคนสนใจคนและอยู่ในระดับเดียวกัน เด็กสนใจเด็กผู้ใหญ่สนใจผู้ใหญ่สุนัขมันก็สนใจสุนัขดดวยกันเวลามันเข้าฝูงมันจะไปสุนัขวัวไปสาวัวเรายกตัวอย่างให้เด็กแต่ไปเอาตัวอย่างที่มันตายตัวที่ไม่อยู่ในเจเนอเรชันเขาเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ภาคใต้อะ ยูเนสโกเอาเอาเรื่องเล็กๆที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยเอาเหตุการณ์ในภูเก็ตเนี่ยเป็นแบบเรียนซึ่งถ้าถ้าเราสามารถที่จะสอนเอาเรื่องนั้นเนี่ยของยูเนสโกเนี่ยเอามาสอนได้แต่เป็นเรื่องของปัญญาเราจะเอาเรื่องของเด็กมาก่อนก็นได้แล้วก็มาเรื่องปัญญา ว่าเด็กคนที่มีปัญญาอย่างไหแจะมาจะแม่ที่บายเรื่องปัญญาให้เห็นว่าปัญญาคือรู้รอบรู้ลึกอะไรเนี่ยัซึ่งมันมีที่มาสามอย่างสุตตามายะปัญญาจินตามายะปัญญาภาวนาไม่ย่อปัญญาฟังแล้วมันยากแต่ถ้าเราเริ่มจากเรื่องของเด็กคนนี้เนี่ยที่อยู่ในสกเขาเผยแพร่นะเหตุการณ์เกิดที่ภูเก็ตอีกเด็กไทยน่าจะสนใจเสเเดียเขาเผยแพร่ในโลกภาษาอังกฤษ เด็กคนนี้ชื่อทิรีสุิตเมื่อเกิดสึนามนิภาคใต้ผ่านไปหนึ่งปีชื่อของคนนี้มาสะดุดหูธรรมาเพราะรัฐบาลไทยส่งตัวให้เธอบินมาร่วมงานครบรอบหนึ่งปีสึนามิให้ขึ้นกล่าวบทกวีลำลึกถึงเหตุการณ์ก็เลยทาให้ธรรมะสนใจว่าทำไมรัฐบาลไทยเชิญเด็กคนนี้มาพราๆๆ้อมครอบครัวแล้วติดตามเขาไปเรื่อยๆก็พบวกก่าต่อมาอยู่ในสกูย่องเเขาอีก มันถึงได้มาตามตลอดโดยทิวรี่สมิธเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์ในภาคใต้สึนามิเนี่ยเธออายุ11ขวบมาพักอยู่ที่โรงแรที่หาดโรงแรมที่หาดแม่ขาวจาังหวัดภูเก็ตใกล้สนามบินคุณพ่อคุณแม่ทวรี ry, ่ทวรี่ เดินลงไปที่ชายหาดเพราะก็น้องสาวก็เที่อายุเจ็ดขวบพอไปถึงชายหาดเทลรีส่สะกิดแม่แม่คลื่นยักษ์กำลังจะมาแม่สะุกซุนามิกำลังจะมาแม่สฮฮะดุกเธอพูดอะไรก็ดูทะเลสิแม่มันแตกเป็นฟองฟอดตอนนั้นคลื่นยังไม่มานะแต่ว่า มันแตกเป็นฟองฟอดเหมือนฟองเบียร์แสดงว่าคลื่นยักษ์กำลังจะมาแม่ก็ถามว่าแล้วเธอรู้ได้ไงทิวรี์บอกว่าก่อนหนูมาเมืองไทยสิบห้าวันครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ให้ทำรายงานเรื่องสึงนามิแล้วเอาภาพมาแสดงในชั้นแล้วครูสอนเรื่องสึงนามิ เวลาซูนามิจะมาในวิดีโอซึ่งเขาได้จากฮาวายไปสอนเด็กมันแตกคลื่นมันแตกเป็นฟองฟัดเหมือนฟองเบียเวลาพ่อรินแก๊บเบียใส่แก้วเนี่ยยักษนี้เลยแม่แม่แม่แมทําหน้าเบ้ยักไหลไม่เชื่อเดินหนีลูกไปทางชายหาดเทลลี่ บ, บอกแม่ถ้าคลื่นยักษ์มานะตายหมดนะแม่นะมันสูงถึงยกบนมพะพร้าวนะ พอได้ยินคาว่ายอดมะพร้าวนะน้องสาวอายุเจ็ดขวบร้องไห้จ้าเลยวิ่งกลับไปที่โรงแรมซึ่งอยู่ที่สุงพ่อก็วิ่งตามลูกสาวคนเล็กที่ร้องไห้ทิวเรีย ก, ก็วิ่งตามพ่อแม่ก็เลยต้องวิ่งตามกันสี่คนมาพนักงานโรงแรมตกใจเห็นแขกร้องเด็กร้องแล้ววิ่งกันมาถามว่าเกิดอะไรพ่อก็เลยบอกว่าลูกสาวบอกว่าสึนามิกลังจะมาเด็กบอกว่าเนี่ย คลื่นมันเป็นฟองพนัก ง, งานคนไทยก็ไม่เคยเห็นเขาก็เลยเป่านกหวีดเพราะไม่รู้ว่าทะเลเป็นอะไรให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาสูงที่สูงพอขึ้นมาพ้นที่สูงถึงที่สูงคลื่นยักษ์มาถึงรอดชีวิตกันเป็นร้อยคนลั่ไปยุโรป ก, ก็คนที่รอดชีวิตก็ชื่นชมเด็กคนนี้จน สื่อรายงานนิตยสารของฝรั่งเศสนักสื่อสารเด็กของฝรั่งเศสให้รางวัลชาย f the y ี a ยแก่ทิวรีสมิธสมาคมดาวครอบน้อยที่ค้นพบดาวครอบน้อยในปีนั้นตั้งชื่อเอทรอยตามทิวรีสมิธให้เกียรติเด็กวันที่ทิวรีไปรับรางวัลบนเวที คนก็สรุดีนะแทนให้รางวัลมันต้องมีการกล่าบสรุดีททลลี่รับรางวัลเสร็จถามว่ามีอะไรเธอจะกล่าบขอบคุณไหมททลลี่บอกว่าถ้าจะยกย่องหนูอย่ายกน่องหนูคนเดียวว่าเก่งต้องยกย่องคุณครูของหนูว่าสอนเก่งด้วยเด็กคนนี้ดีจังเลยนะพูดถึงครูพอลงมาเขาก็ถาม ครูชื่อไรชื่อแอนดรูเคนนี่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้และทำไมสอนดีอ่ะก็สอนดีสิทีรรี่บอกถ้าสอนไม่ดีป่านนี้ครอบครวัวหนูตายหมดแล้วที่ภูเก็ตโดยเฉพาะแม่น่ะตายก่อนเพื่อนยูเนสโกก็เลยไปถามครูว่าสอนอยังไงครูเขาก็บอกว่าปกติสอนวิชาภูมิศาสตร์ก็ต้องจำมันน่าเบื่อ เขาก็จะนำเข้าสู่บทเรียนโดยเอาปัญหาขึ้นมาเหมือนถ้าสึนามิมานี่จะทำยังไงให้เด็กไปค้ น, คนเอาวิดีโอเอาภาพอะไรมาเสร็จแล้วทุกสมุทยใช่ไหมเหตุจากสึนามิมาจากอะไรความปลอดภัยคือ น, นิโรธจะทำยังไงที่จะปลอดภยัยครูบอกว่าต้องวิ่งหนีขึ้นที่สูงเขาจะสอนหาวทูไม่ใช่เรียนอย่างเดียวต้องวิ่งหนีขึ้นที่สูงเพราะฉะนั้นเด็กพอเห็นอไรทจะวิ่งหนีก่อน ึที่สุดตรงนี้แหละเขาเรียก power of education พลังองหนาจแห่งการศึกษามันมีผลต่อชีวิตยูเนสโกก็เลยไปเผยแพร่ทั่วไปเด็กทำไมจึงเผยแพร่เพราะมันเรื่องเด็กเด็กเมื่อเห็นเพื่อนทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้มันมีตัวอย่างสมุนเตชนะสุดท้ายสังประหังาสนาล่าเลย คนมักจะนึกว่าเรียนธรรมะต้องสรุกเหมือนธรรมะโจ๊กอะนะตลกไม่ใช่คําว่าสัมปะห a สนาท่านอธิบายว่าให้เกิดธรรมะปีติธรรมรถได้เพราะได้ฟังอานิสงส์ร่าเริงินดีเพราะได้อานิสเพราะรู้อานิสงส์แห่งสิ่งที่เราปฏิบัติการสอนถึงอานิสงส์คือผลที่ปฏิบัติมันเป็นแรงจูงใจและเป็นความปิติ ถ้าเราได้เห็นเรื่องอานิสงส์นี่มันอยากทำทำแล้วมันได้อย่างไรทำไมเธอจะต้องบริหารจิตเจริญปัญญามีสมาธิเราเรียนเก่งยังไงมีสมาธิล้วเป็นยังไงมีสมาธิทำให้รอดจากการติดทํำได้อย่างไรบริหารจิตเจริญปัญญาสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งในเหตุการณ์หมูป่าส3บสาคนหนึ่งในการสัมภาษณ์ใหญ่ พระท่านมาบทล่อชีวิตอย่างไรเนี่ยไม่มีการพูดถึงการนั่งสมาธิของเด็กเด็กอยู่ในถ้ำโดยไม่กังวลไม่เครียดเพราะโค้ชทึ่เคยบวชอยู่สอนให้นั่งสมาธิขามานาออกมาตอนแรกแต่พอถึงสัมภาษณ์ใหญ่ทั่วโลกไม่มีใครถามประเด็นนี้ ต่มาฟังก็ไม่มีแต่สื่อบ b บซเอาไปขยายบ b บทําทำรายงานเรื่องนี้ทำไมเด็กอยู่ได้เพราะประหยัดพลังงานไม่กังวลเพราะนั่งสมาธิถึงกับทำภาพนี้ประกอบนี่ตอนที่เขาพ่เปลิกเขาทำภาพนี้ด้วยนที่เขาภาพของบ b บซแต่ในสังคมไทยไม่พูดถึงเลย ถ้าจะาําสารคดีถ้าจะาําประวัติมันจะต้องมีจุดนี้เพราะมันเป็นอานิสง์ของสมาธิที่นอกจากเพื่อการเรียนเก่งแล้วแม้แต่ในยามวิกฤติในยามท้าทันยังเกิดปัญญายังเกิดอะไรต่างๆมากมายอานิสง์ก็ต่างมาและมันเป็นเรื่องของเด็กจึงไม่แปลกหลังจากเกิดสึนามิได้เด็กยังไม่ทันออกจากถ้ำเลยนะ อาตมาเป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปประชุมกันว่าเราจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาสอนคุณธรรมของคนในชาติไทยได้อย่างไรเพราะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยประกาศใช้มติครมอนแผนส่งเสริมแผนไม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสี่คำอะพอเพียงวิในสุจริตจิตอาสาอาตมาเป็นกรรมการอยู่ตรงนี้ในกรรมการเนี้ยที่ผลักดันเอาสี่คำ พอเพียงนี่ก็คือปรัชญาเศรกิจอเพียงเห็นไหมกันที่กล่าวจิตอาสาลงท้ายในปัจจุบันวิในสุจริตท่านก็รู้อยู่แล้วมันแก้ปัญหาอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับที่เราเรียกกันว่าสอนคุณธรรมในบริบทแห่งสังคมปัจจุบันในที่ประชุมบอกว่าเราช้าไปแล้วญี่ปุ่นเอาไปสร้างเป็นหนังสั้นเรื่องเด็กติดท่ามเป็นภาษาญี่ปุ่น ถ้มาไปเปิดดูก็จริงนะเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาเด็กที่ไหนมาแสดงทำเป็นติดท่ามหมูป่าแต่ว่าไอ้ครูน่ะหน้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นท่านไปแล้วเพราะเอาไปสอนเด็กอ่ะเรื่องของเด็กเด็กก็สนใจแล้วเรื่องสมาธิเราก็ลืมกันไปแล้วฉะนั้นในการสอนวิชาพุทธศาสนาเนี้ย ทำอย่างไรที่จะเอาผังมโนทัศน์ให้ให้ท่านสามารถถอดสองได้ขยายได้กบมือเดียวได้ทำมากกบมือเดียวแล้วขยายออกมาเป็นแบบเรียนเอามาเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยรวมถึงาวถูวิธีการสมาธิปนาให้เด็กปฏิบัติเนี่ยคงจะเป็นภาระหน้าที่ของท่านทั้งหลายแล้วก็ถ้าสอนแล้วครูคนไหนได้สี่สอนเ อ, อเลยนะ 3าสองให้บีสองสองให้ซ1หนึ่งสองให้ดีถ้าไม่ได้ทั้งสองหนึ่งไปทาไปสอนวิชาอื่นอย่างมาสอนวิชาพริศนาบทบาทครูก็คือสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มันมีความขัดกันอยู่สองเรื่องก็คือระหว่างครูประจำการกับครูพระเนี่ยที่ไปสอน เรื่องอะไรด้ครูประชาการเนี่ยมีวิธีการสอนวิชาได้ดีเพราะบางอินไม่ได้เรียนทางพุทธศาสน า, าก็มีสื่อมีอะไรผลิตได้อย่างดีแต่ไม่เข้าใจเนื้อหาธรรมะตอนที่จะมาทำหลักสูตรเรื่องนี้ได้คุณครูท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองจบสอนเป็นครูสอนวิทยคณิตมาแต่ว่าย้ายมาต่างจังหวัดท้อ่สอนวิชาพุศาสนาสอนวันแรก เรื่อง ก, กรรมโอ้ยเด็กโตด้วยนะสอนไปกับคิดในใจกรรมของเราเท่ๆแต่ว่าครูคนนี้ตั้งใจตอนหลังไปเรียนธรรมศึกษาอะไรต่างได้กลายเป็นครูดีเด่นในทางศา ส, สนา <c oughs> คือท่านมีเทคนิคมีสื่อมีอุปรกรณ์ที่ดีทำยังไงให้เข้าใจเนื้อหาแล้วสามารถเข้าใจผังมโนทัณน์ษษและปรับประยุกได้ <c oughs> ในส่วนของครูพระเนี่ยมีธรรมะเนื้อหายางดี เป็นแบบปฏิบัติที่ดีทำให้ดูอยู่ให้เห็นแต่ในเรื่องของสื่ออุปกรณ์การเรียนจิตวิทยาพัฒนาการอะไ ร, ต, รต่างๆนี่มันต้องเพิ่มรวมถึงการวัดผลประเมินผลทำอย่างไรจะเมืดเชื่อมให้เข้ากันตอนนี้มีครูที่ไปสอนวิชาพัทศนาเนี่ยเป็นที่เป็นพระเนี่ยไปช่วยเนี่ยเป็นหมื่นรูปของมหาจุฬามื่นแปดพันใช่ไหมมหาบัณฑิอีกหกพันทุกปี ทำไงท่านจะใช้ประโยชน์จากท่านเหล่านี้โดยไปเสริมไอไอความสามารถในการที่จะสอนให้เจ็บแจ้งโดยสื่อประกอบในต่างๆการวัดผลประเมินผลสอนแล้วถ้าเด็กไม่เข้าใจก็อย่าไปว่าเด็กต้องบอกว่าทำไมถึงสอนไม่รู้เรื่องพาะสิทธุทันทับบอกว่าถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่างขู่เขาว่าโง่เง่างมเงอะซึ่งหนาตัวของเราทาไมไม่โกรธถามว่าพูดจาก เขาไม่เข้าใจสอนไม่ได้ผลอย่าไปโทษเด็กทําไมเราจึงทําให้เด็กไม่สนใจและไม่เข้าใจถังมันทำอย่างไรก็คงเป็นภาระหน้าที่ของท่านทั้งหลายขอฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งขุนาษีรัตนไยและบุญประสอนที่ทุกท่านทุกคนดีจิตเจตนาที่ดีนั้นจงมาเป็นพลังทําให้โครงการนี้สําเร็จลุล่วง ไปตามมโนปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการเถิด